คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามสถานการณ์บางชาติรวมแล้วให้ทานมากแต่รักษาศีล น, น้อยบางชาติรวมแล้วให้ทานน้อยแต่รักษาศีลมากบางชาติรวมแล้วให้ทานและรักษาศีลพอประมาณแต่ไม่ขวนขวายทำงานไม่มีหัวหริเริ่มสร้างเครือข่ายธุรกิจของตนเองฉะนั้นการได้รับมา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 ตลอดเท่าที่ผู้บริจาคอยังไม่สิ้นอายุมรดกเย็นคือได้แน่ๆตามการแบ่งกับญาติพี่น้องตามสัสดส่วนที่ยุติธรรมหรือผู้ตายจัดสรรไว้ให้แน่นอนไม่เป็นอื่นแล้วรากของกรรมที่ทําให้มีสิทธิ์ได้มรดกเย็นคือเคยมีความโน้มเอียงให้ทานแบบปราศจากเงื่อนไขและจะัดสรรให้อย่างยุติธรรม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 อย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้เกิดใหม่จะมีทั้งไอเดียและฝีมือทำขนมตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นถ้าขยันพอจะทำขนมขายก็จะมีทั้งรสขนมที่ถูกปากเป็นที่ติดใจแก่ลูกค้ากับทั้งมีรสมีบุญดึงดูดคนเข้าร้านและอยากช่วยบอกต่อ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 แล้วถ้ามีสิทธิ์กลับมาเกิดใหม่ในแดนมนุษย์ <c oughs> ก็อาจมาอยู่กับครอบครัวที่สิ้นไร้ไม้ตอกโดนเขาโกงตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงรุ่นคุณเรียกว่าได้หน้าดำคลัมเครียดกับความยากจนตั้งแต่เกิดจนตายพยายามหาเงินมาแค่ไหนก็โดนโกงไปแค่นั้นสรุปว่าจะร่ำรวยได้นั้น